ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอพระสูตรชื่อว่าเจโตคีรสูตรในช่วงการอธาธิบายขยายความของพระตถาคตาจารย์ก็คืออธิบายพระพุทธภาษิตที่ ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายนั่นเองคือข้อความบางอย่างเนี่ยมีความลึกซึ้งแล้วก็แฝงในยะไว้เป็นอันมากคือบางครั้งเมื่คราวถ้าพระตถาจารย์แม้อธิบายเราก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรและบางครั้งเมืคราวพระตถาจารย์อธิบายไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจ เราก็มีพระดีกาจา์อธิบายต่ออธิบายไปเรื่อยๆเพราคัมภีร์ในพุทธศาสนาจึงมีหลายชั้นด้วยกันแต่พอสอบทานเทียบเคียงแล้วจะไปยุติด้วยหลักในพระไตรปิฎกเพราะเราเจอคัมภีร์ระดับใดก็ตามที่สอบทานสอบทานเทียบเคียงแล้วไปขัดแย้งกับหลักในพระไตรปิฎก เรวก็คือว่าถ้าเรานั้นจำมาผิดเข้าใจผิดแต่เก์กำหนดที่ง่ายเนี่ยก็คือว่าผลจากการปฏิบัติธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเริ่มต้นที่อะไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏภายในจิตก็คือกิเลสจะลดลงธรรมะจะเพิ่มขึ้นความทุกข์จะลดลงความสุขจะเพิ่มขึ้น จนถึงดับไปอย่างสิ้นเชิงด้วยอาสวัคคยานความหมายความกิเลสก็ดับไปหมดความทุกข์ก็ดับไปหมดผละเนจิตใจของท่านก็ยังเหลือเฉพาะนิโรธกับมรรคก็เป็นผลที่ถาวรยั่งยืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือมีประเด็นหนึ่งในช่วงตอนปลายของพระสู ีิทรงอุปมาการฟักไข่ของแม่ไก่ว่าแม่ไก่มีไข่แปดฟองบ้างสิบฟองบ้างสิบสองฟองบ้างแล้วเมื่อแม่ไก่ฟักดีแล้วเนี่ยพอ ถ, ถึงจุดหนึ่งลูกไก่ก็จะเจริญเ ต, ติบโตมาโดยดํดำดำดดาดับก็จะเจาะกระพอกระฟองไข่ออกมา พระธรรมเทศนาในข้อนี้ได้ส่งแสดงในเวรัญชกันเป็นต้นนะฮะคือว่าส่งแสดงหลายแห่งเวรัญชพรามนั้นถือว่าตัวเองแก่กว่าพระพุทธเจ้าก็รปรารถนาที่จะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงความเคารพต่อท่านในฐานะที่อายุแก่กว่า แต่พระุ้เจ้าก็ไม่แสดงความเคารพทำไมเวรันจะพราหมณ์โกรธไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าด่าอะไรจงๆงก็ด่าด้วยอโกสวัตถุแปดประการเป็นภาษาที่สามารถตีความได้เช่น ก, การไม่แสดงความเคารพต่อท่านเนี่ย แล้วก็กล่หาว่าพระพุทธเจ้าเป็นอกิริยะว่าคือกล่าวกันไม่กระทำโดยความหมายของท่านน ก, ก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่กระทําการเคารพสักการะต่อผู้ที่มีอยายุมากกว่าตัวเองแต่พระพเจ้ายอมรับแต่ว่าความหมายอย่างหนึ่งคือการไม่กระทําชั่วหรือว่ากิริยะวะโทหมายถึงการกระทําความชั่ว พระพุทธเจ้าก็รับแล้วก็ตีความมากระทความดีจดถึงคำบางคำเนี่ค่อนข้างแรงในความหมายของพระธรรมเนี่ยเช่นอาปาคับโโหเออจริงๆก็คือว่าต้องการจะด่าว่าพระพุทธเจ้าซึ่งมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็จะไม่รู้จักปุตตะเกิดะก็ทำนองว่าค่ยๆจะตกนรกหมกไม่ไป เดวุจจ้าก็ส่งแสดงว่าใช่พระองค์เป็นอภักขคโผโ่เพราะว่าจะพระองค์จะไม่มีการเกิดอีกแล้วคืออภักขคโพโ่นี่แบบปราศจากคันถึงก็สรุปว่าอากโกโสวตถุทั้งแปดแปดข้อที่เวรัญจะพรามดานี่คือสามาติความเป็นธรรมะได้หมด แล้วก็ทรงแสดงว่าพระองค์ก็เหมือนกับลูกไก่ที่เจาะกระพอกคองฟองไข่ออกมาได้ก่อนตัวอื่นแม่ไก่ฟักไข่แปดฟองบ้างสิบฟองบ้างสิบสองฟองบ้างในอุปมาเหมือนกันแต่ว่าตัวใดที่เจาะกระปอกคล อ, องไข่ออกมาได้ก่อนเนี่ยตัวนั้นก็ชื่อว่าพี่แล้วก็ทรงแสดงเห็นว่าโลกคือหมูสัตว์เนี่ยมันถูกอวิชาซึ่งเหมือนกับเปลือกไข่ในหุ้มห่อเอาไว้ จึงหลงดูดอยู่ในทิศมืดเพราะนันพระองค์ก็ทำลายกระเปะ๋อฟองเถอวิชาออกมาได้ก่อนพระองค์จริงชื่อว่าเป็นพี่เป็นพี่คนโตของชาวโลกก็ไม่มีท่านยไหนที่พี่จะไปไหว้น้องก็ทำให้เวรัญจะพรามจิตใจอ่อนโยนลงในประเด็นตรงนี้พระอาจารย์อธิบายถึงลำดับ เราต้องนึกถึงลำดับว่าลำดับแรกก็คือขจัดความเครียดแครงสงสัยในพัฒนากรแล้วก็ในใจสี่ขาแล้วก็ขจัดโทสะคือความโกรธออกไปจากจิตในช่วงที่สองเครื่องผูกพันจิตเนี่ยมันจะเป็นอาการของราคากระกัลโลพานี่เป็นหลักท่านปฏิบัติพัฒนาจิตจนคลายความกำหนัด ลายความพอใจขายความยินดีใ น, ในกายในรูปและตลอดถึงความปรารถนาที่จะเป็นเทพประบุในสวงสวรรค์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเริญกุศลซึ่งในที่นี้ก็ส่งยกเอาอิธิบาส4กับความขมกเขม่มนหรือความเพียรที่เอาจริงเอาจัง เมื่อปฏิบัติไปถึงโดยลำดับแล้วเนี่ยก็จะเห็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าอนุปัสนาคือจะเห็นแจ้งชัดเจนไปตามลำดับเพราะประเด็นที่จะนำเสนอในที่นี้ก็อยากจะสรุปวิวปัสนากรรมฐานนะครับวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริง คือคจริงมันเป็นยังไงท่านก็เห็นอย่างนั้นก็ตามข้อความที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ท่านปัญโยคีในอนัตตลกนณสูตรเนี่ยคือเป็นเรื่องของวิปัสสนาล้วนๆทีนี้ถ้าเราดูตัวอารมณ์ของวิปัสสนาคือท่านนิยามไมว้ว่าการปฏิบัติยังไงก็ตาม เมื่อได้เห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงคือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาของสังขารและของธรรมทั้งหลายตีการรูเห็นเนี่ยมันเป็นลดที่ตัณหามาณทิจิตคือถ้าตัณหามาณทิติไม่ลดเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เห็นแบบวิปัสนาก็อาจะเห็นแบบปริยัติเห็นแบบความคิดมันก็เห็นได้นะจะเราอธิบายได้แต่ว่า ปัญหายังเข้มข้นอยู่มานะย่างเข้มข้นอยู่ทิษฐาา อ, ย, อ, ย, อยังเข้มข้นอยู่เนี่ยก็ชื่อว่าไม่เห็นแล้วคาว่ารู้เห็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยกิเลส ต, ต้องลดนะอยู่ถ้ากิเลสไม่ลดก็ไม่ถือว่ารู้เห็นดังนั้นสิ่งที่เกิดด้วยความรู้เห็นอย่างนี้ในในรัตตลักนณนสูตรทรงเรียกว่าสมับปัญญา คือปัญญาเียนชอบตามความเป็นจริงหลังจากการเห็นเหล่านี้ความเห็นของท่านจะไปสลัดไอ้ความวิปลาสคือการมองคลัดเคลื่อนด้มองคลัดเคลื่อนจากความเป็นจริงคือชาวโลกเราตามปกติเราก็มองคลัดเคลื่อนจนความเป็นจริงไปมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าเป็นสิ่งสวยงามมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงม่าเที่ยง มองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นสุขมองเห็นสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนว่าไม่เป็นอัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตนครั้งก่อนมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งก็น้าชื่นสนท่านนะฮะคืออายุต 77, ั้งเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดิบแปแล้วท่านเรียบรวบรวมเรียบเรียงพุทธประวัติขึ้นมา แล้วก็ถอดข้อความนั้นแยกเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาโยมไม่เคยผ่านการเรียนบาลีอะไรมาเลยแต่ก็มีสันทัศอุตสาหามากเวเนี้ยทุ่งเทชีวิตลงไปเพื่อศาสนาท่นานบอกว่าเวเนี้ยท่านท่านเห็นชัดเจนว่ามันไม่มีอะไรจริงๆโลกนี้ไม่มีอะไรจริงๆ ผลสิ่งที่จะต้องทำก็คือมาแก้ปัญหาที่จิตตัวเองเป็นการถ่ายถอนทั้งตัณหามาาทิจิเราเห็นชัดเจนว่าลดตัณหามาาทิจิลงไปเดี๋ยวก็ท่นก็เอาหนังสือมาถวายก็ถ้าว่าจะถวายสักสองร้อยเล่ม โยไม่ต้องลำบากหรอกอายุาตั้งเจ็ดสิบป่าแล้วเบี้ยจะให้เด็กไปรับมาให้เราจะเผยแพร่พพให้คือถ้าเราอ่านแเราจะรู้สึกชื่นชมมากกว่าอุบาสิกาเนี่ยบาสิกาสามารถใช้เวลาคนา้นคว้าเอกสารมาเรียบเรียงเอทางข้อความเนี่ยตระถาแล้วก็พระเิดียดุมาเรียบเรียงเป็นเล่มแล้พิมพ์เผยแพร่ ก็มีคนสนับสนุนข้าพิมพ์เยอะปรากฏว่าท่านพิมพ์ไว้ตั้งสองหมื่นเล่มเพราะเราจะเห็นว่าพอวิปัสสนามันเกิดจริงๆเนี่ยกิเลสมันต้องลดแต่วันนี้ที่เรามีปัญหาก็คือสำนักวิปัสสนาบางแห่งมันลบจังเลยคือเราคิดไปออกว่าท่านท่านท่านเข้าใจของท่านว่ายัางไง เพาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ต้องไม่มีเมื่อวิชาเกิดอวิชาต้องดับเมื่อตัญหาเกิดธรรมะก็ดับแล้วทีนี้เมื่อท่านบอกว่าท่านเห็นแจ้งวิปัสสนาเป็นสำนักวิปัสสนาแต่ว่ายังมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถนึงโลภะอยู่เยอะ เพราะงั้นแนววิปัสนาเนี่ยคือถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็คือตัวเรานี่เองเรียกอารมณ์ของวิปัสนาจริงๆท่านแบ่งออกเป็นหกหมวดใหญ่ๆนะฮะแล้วก็จริงแล้วก็คื อ, อยุติกายกายกัจิตมนุษย์เองม่อยู่ที่ไหนเลยอารมณ์วิปัสนาทั้งหมดอยู่ที่กายอยู่ที่จิตของมนุษย์ ที่ภาษาสังอิฆร昙เขาเรียกว่านามรูปหรือรูปนามนั่นก็คืออะไรคือคือขันห้าขนาก็คือรูปเวทานญญาเสด็จต่างกันมิญญาอายตนะสิบสองเอาทั้งภายในแผลนอกหมายความว่าแต่ละอย่างนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทั้งนั้นและอย่าลืมว่าอายตนะแต่ละอย่างเนี่ยบางครั้งพุทธเจ้าเรียกว่าโลก อายตนาโลกขันธโลกคือแต่ละข้อเนี่ยตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจของเราเนี่ยก็ถือว่าโลกแต่ละโลกรูปเสียงกลิ่นรสปัตภะข้างนอกก็ถือว่าโลกแต่ลโลกเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดย่อมแตกสลายไปเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าโลกเพราะานั้นพวกเหล่านี้ทั้งหมดในสุดก็จะแตกสลายไปทีนี้พวกเหล่านี้แหละอายตนาสิบสองนี่แหละ พอมันประจบกันเ้ตตาเห็นรูปอย่างเงี้ยมันเกิดจากขูวิญญาณคือความรู้รูปทางตาเพราะนั่นจะขู่วิญญาณหรือ่กลายเป็นอารมณ์มีปรสนาตงลงว่าท่านแยกเป็นท่าสิบแปดทาสิบแปดก็ลองนึกดูนะฮะว่าอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกรวมเป็นสิบสองแล้วก็วิญญาณหกรวมแล้วก็เป็นสิบแปด ก็หมายความว่าเราก็มีอารมณ์ปรสนาอยู่ทุกวันนทุกขณะเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาในการมองอารมณ์เหล่านั้นพ้นจิตใจก็จะไหลไปตามอายตนะภายนอกซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัตถุการมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องปูดของมารบวงของมารพวงดอกไม้ของมารก็แล้วแต่จะส่งจะส่งใช้คำเยอะมาก ก็แล้วแต่ใครจะเข้าใจด้วยสารไม่สื่อสารยังไงเนี่ยพระเจ้าก็จะเรียกด้ยดยครบคาเหล่านั้นเพราะอย่างที่บอกว่าชื่อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมมติเป็นสมมติเป็นบัญญัติขึ้นมาด้วยภาษามาคีหรือภาษามะคตรเราเองเราจะเรียกยังไงก็ได้คือบางครั้งบางคราวชาวพุทธมัสีเวลาถกเฉียงศัพท์กันอยู่เยอะเลยก็เคพบโยมคนหนึ่ง อายุเยอะแล้วนะฮะท่านท่านอธิบายเรื่องคําว่ารู้คําเดียวอะไรก็รู้รู้รู้รู้ยังไงเนี่ยออทีนี้คนก็คล้ายๆกับมองว่าท่านเพี้ยนแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคือคือรู้เนี่ยเราจะลืมาเป็นสติปัฏฐานญาณอะไรก็ตามขอให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะไม่ยึดมัน่นถึงมัน ที่เรายัางยึดมั่นตึงมั่นอยู่เนี่ยเพราะเราความรู้เห็นจริง ๆ, here, ๆเนี่ยเราไม่ได้เห็นเรียกว่าไม่ได้รู้เห็นต <c oughs> ามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอ่ะเพราะถ้าเราคิดว่าที่เราคิดว่ามันเป็นเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นแต่มันจะเป็นอย่างที่มันเป็นปันธรรมะบางทีถ้าเราแปลงง่ายๆเนี่ยคือเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็น แล้วก็ทำให้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นด้วยคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับไฟเนี่ยก็สว่างไฟที่ไหนก็สว่างแล้วก็มีความร้อนเพราะเขาไปอยู่ในที่ไหนเนี่ยเขาจะทำให้อย่างอื่นสว่างไปด้วยแล้วก็เกิดความร้อนด้วยชื่อไม่รู้ก็แล้วแต่จะเรียกพราชื่อเป็นสมมติบัญญัติแต่ตัวสภาวธรรมตัวเนี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะ เพาะฉะนนถ้าเราดูเสมมติว่าโกรธเนี่ยเราจะเห็นว่าคนมดสัตว์ผู้หญิงผู้ชายแขกพลังใครแต่ใดก็ไม่รู้แต่โกรก็คือโกรดอ่ะมันก็ดูกันออกโรคก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือสภาวะของมันเนี่ยมันเป็นในที่มันเป็นนั่นแหละแต่ว่ามันจะทําจิตคนให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่มันเป็นด้วยพรจะนอนแค่แค่เกลือเค็มเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันก็ทำให้สิ่งนั้นเข็มไปเลย สิงนั้นไม่ได้เค็มในตัวของมันเองแต่เมืเ่อือทําให้เข็มเพราะถ้าเราถ้าเราเข้าใจสภาวะธรรมขนาดนี้นะเราจะเห็นว่าคนที่มีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจรู้สึกโกรธรู้สึกเปรี้ยวกราดปวดแค้นด่าทอเขาที่จริงเขาเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าที่เขาทำเขาพูดเขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้ทําเองพูดเอง เขาคิดเองแต่เขาตกเป็นธาตุของกิเลสกิเลสสั่งให้เขาคิดอย่างนั้นสั่งให้เขาพูดอย่างนั้นสั่งให้เขาทําอย่างนั้นพราวกิเลสเขาก็เป็นเท่เขาก็เป็นเพราะนเวลาความโกรธเข้าครอบงาจิตมนุษย์เนี่ยมนุษย์มคงโกรธอาการอย่างนี้นแต่เราเห็นว่าความโกรธเขาไม่ได้ครอบงาจิตตลอด24ชั่วโมง เหมือนมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปทำสิ่งที่มาครอบาองาจิตอาจจะกุศลก็ได้กุศลก็ได้กันกลางก็ได้ทีนี้จากนั้นท่านก็แบ่งออกเป็นอินซียี่สิบสองถ้าถามมาอินซีย์บสองคืออะไรก็คืออายตนะภายในอายตนะภายในหนะท่านเรียกในฐานะอินรีคือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเอง หรือจะนวาตาในเป็นใหญ่ในการดูรูปเอายังอื่นมาดูแทนไม่ได้เลยวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าอย่างไงก็ไม่รู้่แต่ว่าใช้แทนตาไม่ได้แม้เราจะมีเครื่องมีโทรทัศน์มีอะไรต่ใดต่างๆเนีเราจะเห็นว่าเอาก็จริงเราต้องใช้ตาดูหูจะเป็นใหญ่ในการฟังเสียงนี่ก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ของเผาแล้วคนอื่นไปทําแทนไม่ได้ไปชดเชยกันไม่ได้ เพจึงมีความสำคัญเท่ากันในฐานะของอินทรีย์เดี๋ยวถืออินทรีย์ก็ได้ข้อหนึ่งสำคัญมากกว่าเนี่ยไม่ได้แล้วเขาต้องอิงอาศัยกันเพื่อนเรื่องบางเรื่องนี่ยเราจะ็นาเราใช้ประสาษษษษษทสัมผัสตั้งหลายอย่างใช้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกนะเราก็ใช้แล้วก็ใช้กายไม่ใช้ใจมันจะใช้หมดเลยตาหูจมูกนิจกาย ในอินทรีย์อย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอิทธิทรีย์คือความเป็นผู้หญิงปุริสิทรีย์ความเป็นผู้ชายชีวิตินทรีย์ความเป็นใหญ่ในความเป็นอยู่หมายความว่าถ้าอินทรีย์คือชีวิตมันดับเนี่ยคนก็ตายเพรความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยเอ่อเป็นสภาวะธรรมแี่หมายความว่าความเป็นตรงเนี้ยไปอยู่ในที่ใครอยู่ในที่ใครอาการกริยาเขาก็เปลี่ยนจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชาย ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองสังเกตว่าสังคมก็เปลี่ยนแปลงก็มีคนเคยถามเยอะว่าในสมัยพุทธกาลมีไม้บอกว่าที่จริงมีมากกว่านี้ที่พระเจ้าทรงอธิบายไว้ในพระวินัยบิดกมันจะเยอะมากเลยแสดงว่าทรงยังรู้สึงถึงสภาพจิตของมนุษย์ที่มีความเบี่ยงเบนไปจากอินทรีย์คือแสดงว่าอินทรีย์มันซ้อนอินทรีย์อยู่ ในภาวะของความเป็นหญิงมันก็มีความเป็นชายอยู่ในภาวะของความเป็นชายมันก็มีความเป็นหญิงปนอยู่แต่วว่าอะไรมากกว่าแต่ตัวนั้นก็จะสัมเดงอาการออกมาเช่วผู้ชายบางคนจใจใจอ่อนไหว อ, อนไหง่ายรักง่ายโกรธง่ายเศร้าโศกง่ายซึ่งจริงๆแล้วอินทรีย์แบบนี้มันมันจะอยู่ในผู้หญิงส่วนมาก แสดงว่าผู้ชายคนนั้นก็มีภาวะความเป็นหญิงอยู่สูงแล้วก็ต่อไปก็คือตัวความสุขตัวความทุกข์นะเป็นใหญ่ในการในความสุขเป็นใหญ่ในความทุกข์เป็นใหญ่ในการโสมนัสเรียกว่าเป็นใหญ่ในการโสมนัสคือดีใจเสียใจเนี่ยมันทําให้เราเกิดดีใจเสียใจหรือเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจาอินทรีย์เหล่านี้ที่ทําให้เรารู้สึกดีใจหรือว่าเสียใจ หรือว่าเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์แล้วจนถึงกับเป็นอุเบกขาคือเป็นใหญ่ในการวางเฉยทีนี้ที่ที่ทพูดเนี้ยตามปกติเราไม่เคยพูดเรื่องอินทรีย์เราพูดแตาหูจะมูงนิดใจเฉยๆเพราะว่าถ้าจะไปอธิบายเซลเชิงอินทรีย์เนี่ยก็ต้องว่ากันยาวองค์ประกอบต่างๆมันเยอะ และในการต่อมาก็คืออินซีที่เป็นฐานของจิตเป็นสภาวะทางจิตที่มีมากหรือมีน้อยถ้ามีมากเนี่ยมันก็จะเป็นพลังผลธรรมชุตเนี่บางครั้งเราจะเจอว่าพละเรียกพละแต่บางครั้งก็จะเรียกว่าอินซีให้ลองสังเกตว่าขั้นต้นเนี่ยนั่นก็คือธรรมชาติอะผลผลจากธรรมชาติ ที่ปรากฏเป็นขันเป็นรูปขันแล้วก็มีตัวนามประปนอยู่นะเช่นวิญญาณธาตุก็ดีอะไรแสแรงต่างก็ดีเนี่ยธรรมารมก็ดีแสดงว่าก็มีนามอยู่ด้วยแล้วมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นกุศลที่จริงก็คืออริยมรรคคือศรัทธาวิญยาสติสมาธิปัญญาเป็นใหญ่เป็นใหญ่เหนืออำนาจของกิเลส หมายความกิเลสวัวแววกก็ไม่ได้พร ะ, ะนี่มีหน้าที่ ข, จ, ขจัดขจัดขข่สมเงินข้ามจนจิตใจเราเป็นอิสระนะครับเมื่อศรัทธาเกิดเนี่ยอย่างในชุดแรกห้าห้าข้อที่เป็นตะปูถึงจิตอ่ะเพราะจริงๆถ้าศรัทธาเขาเกิดแล้วเนี่ยมันจะขจัดความไม่เชื่อขจัดความเครีบแคลงสงสยัย ขจัดโลภะขจัดตัณหาขาจัดโทสะเพราะฉะนั้นเราจรึงเห็นว่าศรัทธาีนสามารถนำไปสู่นิพพานได้อย่างนี้ทรงแสดงว่าสาัทธาญาติติ อ, อกรังบุคคลจะข้ามห่วงน้ำคือสังสารวัตได้ด้วยศรัทธาอย่างในกรณีของพระวักกะลิที่เราเคยได้ยินคุ้นๆเคยนะฮะท่านิเตรียมจะกระโดด ภูเขาคิดจะกูให้ตายนะว่าเสียใจที่ไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เจ้าเสด็จปรากฏพระองค์ให้เห็นท่านเกิดปีติผู้เจ้าเรียกหาท่านเกิดปีติยกวิจใจมากคมจิตเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลไปแล้วก็มาถึงอินทรีย์ที่ถือว่าสําคัญเราเห็นว่ามาเข้าข่ายตอนที่ทอนธปุถุถึงจิต จริงจีห้าข้อเพราะว่ามาถึงตรงนี้แล้วจะเป็นระดับสตาที่ไม่หวั่นไหวแล้วอินทรีทั้งห้าประการเนี่ยเขาผนึกเป็นเนื้อเดียวกันละมันก็จะเกิดเป็นอินทรีของพระญาบุคคลผู้ปฏิบัติโดยคิดว่าเราจักสัรรูพนิพานแยวท่านก็บอกว่าก็คืออินทรีของพระโสดาบันทีนี้ระดับพระโสดาบันเนี่ย ท่านเป็นเขาเรียกอาจารลัทรัทธาคือไม่หวั่นไหวในพระธรรมตรัยในใจสิกาแล้วความโกรธเนี่ยก็ไม่แสดงอาการหรอกมือระดับโสมดับันเนี่ยไม่แสดงอากา ร, รออกแต่ก็มีความไม่พอใจอยู่ข้างในเขาก็ไม่ถึงเรียกว่าโกรธหรอกก็จะเรียกว่าปฏิกะหุดหงิดรำคาญ พฤติกรรมการกระทํำของคนบางคนเนนะี่ยทีนี้ต่อไปก็อัญญสิยะคืออินทรีย์อันไม่ได้ล่วงถึงแดนอันพระโสดาปันติมรรคญาณเห็นแล้วแล้วก็จัตสรูสัจจะและกันิพานอันนี้ก็คือของพระอริยบุคคลระดับสูงขึ้นไปคือพระสกทาคามีแล้วก็จนถึงพระอรหันต์แล้วก็มาสรุป ข, ข้อสุดท้ายนะว่าอัญญาตาวินสิยะ คืออินทรีย์ของพระยะบุคคลผู้ศักรุแล้วคือบรรลุมรคนล้ก็ผู้นี้เป็นรากง่าวเป็นเหตุเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ของวิปัสสนาเพราะันวิปัสสนาก็จะเกิดได้จริงๆเนี่ยมันเป็นศีลบริสุทธิ์แล้วก็ผ่านสมาธิวันตดท่านผู้ฟังลองสังเกตดูว่า องธรรมในชุดต่อมาเนี่ยคือเครื่องเครื่องผู้พันจิตเนี่ยพอเราคลายความกำหนัดเราจะเห็นว่าอาการของนิวร์เนี่ยมันจะลดลดลดลดลงไปเรื่อยเรื่อยจนสภาพจิตถึงจุดหนึ่งก็คือเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้แล้วความรู้ก็เกิดพุทคขึ้น โดยอะไรอ่ะโดยพลังของจิตที่คลายความกังัลไปเรื่อยเราจะลืมว่าความเข้มข้นของไอเดียมักนี่ยเขาเข้มข้นตามมาเป็นการแสดงแนวคล้ายๆกับปฏิจจสมบาติสายดับโดยเช่นว่าปฏิจจสมุตสาปฏิจจสมุตสมุติบาสายดับเนี่ยนิ่งๆกว่าวิชาดับสังขารดับเลยแต่เพราะอะไรล่ะตรงนั้นแหละที่จริงมันเกิดสมาญาณขึ้นจึงไปดับยวิชาได้ เพียงแต่ว่าท่านแสดงขนที่ปรากฏคือตัวนิโรธอะเป็นแสดงที่ตัวนิโรธเพราะว่าชุดแรกกันแสดงที่สมุทยัยสมุทัยกระทุกเหมอนชุดที่สองมันก็แสดงอาการของมากการคนิโรธแต่มร์นั้นแสดงถึงความสมบูรณ์พร้อมของมร์ก็คือเกิดเป็นสมายาณเหนจิตที่บรรดาลวิชาก็คือสมาวิมุต เวลานับเรียงก็ด้วยตัวอักษรมันก็ยาวนะถึงสิบเอดสิบสองข้อด้วยกันแต่จริงๆก็เป็นขนาดสั้นๆซึ่งก็คนที่บรรลุท่านั้ น, นเองท่านจะรู้ได้ว่ามันเร็วขนาดไหนเนี่ยคงกำหนดอะไรไม่ได้เพิ่นพอพ อ, พอมาถึงจุดตัวเนี้ยที่ที่เกิดลักษณะดังกล่าวขึ้นมาก็ก็เขาเรียวกวิปัสสนามันมันมันมันจึงมีอยู่ห้าข้อเรียงลาดับขึ้นไป คือความบริสุทธิ์ของความเห็นหมายความมาเห็นความจริงตามกฏของพระไลักษณ์ท่านจริงเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นอย่างที่อะไรละ่ะอย่างที่พระเจ้ารับสั่งถามท่านปัญโยคีเนี่ยถ้าตั้งฟังได้เคยคงเคยได้ยินนะคงเคยได้ฟังว่าในตอนแรกพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าขันห้านั้นเป็นอนัตตาไม่ได้พูดถึงนิจังทุกขังเลยนะ แล้วเสร็จแล้วตอนที่รับสั่งถามเนี่ยดูก่อนผู้กษาทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้เป็นเชนไหนแล้วก็สรุปรวมนะฮะว่าขันห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรับสั่งถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขถ้าก็บอกเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแล้วก็เอาไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์มาสรุปเข้าที่อัตตานาตตาซึ่งทรงแสดงมาก่อนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี่ แล้วเป็นการสมควรไม้ที่เราจะไปยึดถือว่าไอ้นั้นของเราไอ้นั้นอาการกับตันหาล้วไอ้นั้นของเราแล้วก็เราเป็นนั้นเป็นนี้หรือนั้นเป็นตัวตนของเรานั่นก็คือตันหามนานัตติติพระเจ้าค่ดคำบอกไม่เป็น ก, การสมควรเลยพระเจ้าค่ะทีนี้นธรรมธรรมดาจิตมนุษย์เนี่ยมันก็จะไขว่คว้าเกิดผิดหวังตรงหนึ่งเกิดว้าตรงหนึ่งผิดหวังตรงหนึ่งเกิดว้าตรงหนึ่งก็ไปเรื่อย ก็คล้าย ๆ, ๆปล่อยแล้วก็ยึด่ปล่อยแล้วก็ยึดปล่อยแล้วก็ยึดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ปล่อยจริงปล่อยเพื่อจะยึดเท่านั้นเองเอถ้าเราเทียบเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าเราของมาเรียงเอามาของเรียงไว้เอของมีค่าจากค่าน้อยไปถึงค่ามากนี่เรียงไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คนดูทีละอย่างแล้วก็จะหยิบอ่ะ แล้บอกคุณเลือกได้อย่างเดียวนะเราเปิดอันที่สองแกก็เทียบราคาดูแกก็ทิ้งอันที่หนึ่งแล้วก็บอกเปิดอันที่สองเปิดอันที่สเอาอันที่สาดีกว่าสองแกก็ทิ้งแกเรื่อยๆทิ้งลักษณะจิตอย่างเนี้ยเหมือนกับจิตของพระนันทะที่เคยเล่าให้ฟังเดี๋ยท่านเปลี่ยนจากนางชนบทกระยานีนะแล้วก็ไปอยู่ที่น้าอักษรคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาแล้วก็เปลี่ยนกันท่านเรื่อยเหรือผลสุดท้ายละลาละหลังอ่ะตัด ตัดสินใจไหมหรือโชบหมดโชบหมดเลยทั้งทั้งทั้งห้าร้อยนั่นคือสภาพจิตมนุษย์ธรรมดามาก่ังนั้นพอท่านอย่างนั้นพระเจ้าเลยสรุปเลยเพื่อไม่ให้ขว้าว่าเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายสรุปนะฮะว่าคห้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นนาดีก็ดีนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบละเอียดยาก็ดีละเอียดก็ดีเรวก็ดีปนี่ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดี ขา น, านั้นมันก็สักไปว่าขัน่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึเงเณรด้วยปัญญาณชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดเนี้ยก็พระองค์ก็แสดงสภากิตให้ดูว่าพิสูจนทั้งหลายอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายในรูปเป็นตาตาญาติฐารวิญญาณ พอนายเนี่ยใจมันจะคลายกันหนักเห็นมันจะเข้าในชุดตรงนี้พอคลายกันหนัดถึงจุดหนึ่งนี่จิตก็จะพน้นพอพ้นนี่เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราพ้นแล้วแล้วก็จากนั้นไปเนี่ยมันจะรู้ว่าในกระบวนการของปัจจัย ก, การสายเกิดเนี่ยมันดับชาติมันดับคือดับมาจากหัวคือคือดับมาจากท้ายนะพอชาติดับก็แสดงพบดับพบดับก็ดับไปเรื่อยๆเลยจนถึงอวิชชาดับ บนนี้ก็แล้วแต่จะมองนะฮะอย่างที่บอกว่าคือบางครั้งที่ทส่งแสดงจากต้นปลายมาหาต้นบางทีก็แสดงต้นไปหาปลายบางทีแสดงตรงกลางไปหาต้นหรือไปหาปลายเพราะในกระบวนการขา้อพิจารณามันมีกิเลสอยู่สามตัวแล้วก็มีกรรมอยู่สองนอนนั้นก็เป็นวิบากทั้งหมดเพราะฉนั้นเราจะพูดตรงไหนก็ได้หรือตามปกติก็ไม่มีใครไปแสดงปฏิจจสม บ, บัติเต็มรูปหรอกเพราะว่า ยาวนะฮะเวลาอธิบายมันยาวมากเคยสอนนักศึกษาระดับหมาหาวิทยาลัยมารเรียนดังนั้นนะฮะใช้เวลาวันละสองชั่วโมงเนี่ยเป็นเดือนกว่าที่จะผ่านไปแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยผลจริงๆระดับปริญญาตเองเราก็้าดจะยากส่วนผลจากการปฏิบัติ เราก็ยังเข้าไม่ถึงนะฮะจริ ง, รงๆก็เข้าไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นสัมผัสทางจิตของระดับพระยา บ, บุคคลเพราะนั้นจากจากนั้นจากพอพ อ, พอทิศทท่านบริสุทธิ์เนี่ยท่านก็ข้ามความสงสัยต่างๆในเรื่องชีวิตอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันต่างๆเนี่ยแล้วก็จะได้แนวคือความบริสุทธิแห่งความรู้ความเห็นเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้ริมักเกิด หลัจากนั้นก็จะรู้เห็นในมรรคเราก็จึก็เดินมาถึงจุดหนึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นญาณทัศนวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดของความรู้ความเห็นที่เป็นโลกุตระเก็นในมรรคสิเพราะนั้นท่านท่นจึงเรียกว่าเวลาเราพูดอภิปรัชนาเนี่ยอย่าพูดถึงลักษณะพูดถึงจิตพูดถึงผลพูดถึงเหตุพูดถึงวิภายและแต่างๆเยอะ แต่ว่าตัวการสําคัญเนี่ยคือเรียกชื่ออย่างไงที่จริงไม่สําคัญอะไรหรอกแต่ว่าตัวการสําคัญว่าตัณหามาณทิฏฐิีลดลงไหมเราจะเห็นว่าสังคมเราในท่ามกลางความขัดแยง้ยงเนี่ยชัดเจนว่าเจ้านายบงการดิมที่เลยตัณหาก็บงการมานะก็บงการทิฏฐิก็บงการเรื่องบานเรื่องเป็นความทิฏฐิอย่างเดียวแต่ฉันก็ได้ การแสดงวัาฉันก็ได้ต่อการต่อสู้ต่อการในชนะค้าการเดิมพันความมั่นคงของชาติบ้านโดยเป็นเรื่องที่น่าสลดเป็นเรื่องที่น่าสงสารเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาสของแผ่นดินเกิดถูกทําลายไปเพราะว่าคนเหล่านี้ถูกสนตะภายด้วยสนามานาทิชิแล้วก็กํากับควบคุมสั่งการท่านลองสังเกต ด, ดูสัมภาษณ์ตีกันทุกวัน ดีกระทางหน้าสื่อสื่อก็มันนะต้องการยอดทํายอดอย่างเดียวชาติบ้านเมืองจะเป็นยังไงไม่รู้ขอจันสนุกไว้ก่อนละ่ะเพราะความสํานึกของสื่อนี่จะสูงต้องสูงอ่ะต้องรับผิดชอบต่อความมั่นคงเรื่องมางเรื่องไม่จําเป็นจะต้องขยายผลอะไรอ่ะเธอไปขยายทําไมขยายออกไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเธอได้เงินแน่นอนแต่ว่าชาติละ่ะสังคมละ่ะบ้านเมืองละ่ะอยู่กันยังไง มันจริงๆนิเทศศาสตร์เนี่ยมันต้องไปเน้นที่ความสำนึกรับผิดชอบต่อสินธรรมอันดีของประชาชนคือควรหรือไม่ควรเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรายละเอียดเลยเกิดเจตว่าวิธีการของเขาเนี่ยเขาจะเน้นที่น่าสนใจมนุษย์มีกิเลสอ่ะที่น่าสนใจของมนุษย์ก็คือตอบสนองกิเลสแก่ วพราะแรงเร่งรมทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่านั่นก็คือตอบสนองกิเลสแลวผลไม้คือยังไงอ่ะเราขับไสสังคมก็สู่สังคมบริโภคเนี่ยเรามาโทษปัญหาเศรษฐกิจอ้าวก็โทษต้นไม้เราก็เราวิ่งก็หากองไฟเองนั่นคืออะไรคือคือคือตัณหาคือมานะคือทิฏฐิเห็นไหมมันไม่เป็นวิปัสสนาเพะในแนวตัวเนี้ยเวลา พระตถาจารย์ท่านอธิบายท่านอธิบายให้เห็นว่าไอแม่ไก่เนี่ยก็หมายความว่าเมื่อแม่ไก่นั้นป้องปีกทั้งสองกบไข่เหล่านั้นไข่เหล่านั้น้แม่นนไก่กกดีแล้วเลยแม่แม่ไก่ให้ความอบ อ, อุ่นตลอดในการที่สมควรได้นั่นอบ อ, อุ่นด้วยดี คือโดยรอบไม่ความไม่ไม่ใช่ปกุ่นใด้ดหนึ่งไม่ ไ, มไกลเราเห็นว่าแกจะพริกไข่ด้วยนะฮะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ควักด้วยดีคือโดยความชอบท่านอธิบายถึงว่าไม่ให้รับกลิ่นของไก่ไม่ไกลนั้นทำความไม่ประมาทด้วยการทำกริยาสามอย่างนี้ในเพึงเกิด ความปรารถนาอย่างนี้คือคือคือไม่ทางตั้งความปรารถนาว่ า, าลูกไก่จะฟักออกหรือไม่ฟักออกปฏิบัติให้ดีก็แล้วกันฟักให้ดีก็แล้วกันพอถึงจุดหนึ่งก็ออกมาได้เองโดยมีองค์ประกอบหลักก็คือว่าไข่ต้องไม่น่าแล้วก็ยางเหนียวของในในฟองไข่เนี่ยมันมันจะแก่รอบขึ้นไป พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเปลือกไข่ก็จะบางลงเพราะว่าไอ้ส่วนต่างๆมันจะเข้าเป็นตัวเป็นเป็ดเป็นเนื้อตัวเป็นอาหารของของลูกไก่ในฟองปลายเล็บเท้าแล้วก็จะงอยปากก็จะแข็งขึ้นใครทั้งหลายก็จะแก่รอบแสงสว่างข้างนอกจะปรากฏข้างในเพราะเปลือกไข่บางเพราะฉะนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ออกมาด้วยความรู้สึกเราจะเห็นว่าแนววิปัสสนานี่มันถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกอึดอัด มองไอ้สังขารทั้งหลายนี่ร่างกายของเราเนี่ยมันมันน่าอึดอัดเขาเรียกว่ามองเห็นโทษแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายแล้วกเกิดกลัวแล้วต้องการจะถอยหนีออกไปถ้านอ้แค่ๆก็เรานอนหลับก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรอะ่ะมันมืดพอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าไปนอนอยู่ใกล้กรงเสือ หรือนอนอยู่ใกล้ซากศพอย่างเงี้ยไม่มีอย่างอื่นนอ ก, นอกจากกรีบนี้เพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเนี่เราจะเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของปฏิกูลไม่เที่ยงเป็นทุกเว น, นั ต, ตาในที่เราอยู่กับมันเนี่ยเราเราเรายังไม่รู้จักมันอนะ่ะไม่รู้จักสภาวะที่แท้จริงของมันเพอาะถ้ารู้จักสภาวะที่แท้จริงนะยกตัวอย่างไม่แต่สามีปัญญ า, า ก, กัน คนหนึ่งตายเนี่ยคนหนึ่งจะนอนอยู่ด้วยกันทั้งคืนได้ไหมมันก็ไม่แล้วเห็นไหมที่จริงเราเร า, เราก็รู้อะไรอยู่อะแต่ว่ากระแสตระหามานะทิจิมันมีมากกว่ามั น, นีเยอะกว่าผลยังไงก็สลับยังไม่หลุดในทีน่นี้ท่านก็บอกว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยกาก็จะออกมาหากจินออกมาข้างนอกนะเราจะเห็นว่าเป็นสัตว์ที่พิเศษที่ หมายความวมาเกิดมาออกมาจากพองไข่แล้วก็เดินได้ทีนี้ธรรมะทั้งหมดทั้งทั้งทั้งสี่ห้าข้อที่ว่ามาที่จริงก็เป็นปัจจัยของกันอะกั น, นหมายความว่าในขณะที่ถอนตะปูตรึงจิตห้าข้อออกเนี่ยพวกนี้มันก็สุดหมดอะพวกเครื่องผูกพันใจเนี่ยมันจะลดความเข้มข้นลงหมดเพราะอะเพราะวิจิกิจฉาเป็นโมหะแล้วก็พวกนี้มันเป็นราคากาโลภะทีนี้เมื่อโมหะมันถูกขจัดเนี่ย ให้โลภะโทสะมันก็ต้องลดโดยธรรมชาติให้เราสังเกตอะไรก็ตามที่เรารู้แจ้ง ช, จนนชัดเจนเนี่ยเราไม่อยากหรอกแล้วคนที่ทําให้เราโกรธถ้าเราชัดเจนเราไม่โกรธหรอกแลืออาจจะสงสารแก่หรืออาจจะขาแก่ถ้ออาจจเจอคนบ้าด่าเนี่ยเราไม่โกรธอ่ะจะเด็ ก, กเล็กๆด่าเนี่ยเราก็ดูน่ารักก็จำไปเห็นไหมนั้นเพราะเรารู้อ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราอาจจะหลงโกรธคนบ้าก็ได้อาจจะหลงโกรธเด็กก็ได้ จะหลงโกรธคนเมาก็ได้แต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราจะไม่โกรธเพราะงั้นที่จริงเรานี้ก็ที่จริงก็คือคือกระบวนการของธรรมะที่เมื่ออย่างนี้เกิดแต่ น, นี้ก็เกิดแต่ น, นี้เกิดแต่ น, นี้ก็เกิดก็สืบต่อไปโดยลําดับแล้วก็ทั้งก็สรุปไวนะ้เนี่ยว่าบุคคลพึงตัดความรักของตนดุดเด็ด ด, ดอกโกมุตในสาระ ก, การด้วยมือ แล้วพอกพูนเฉพาะทางสันติเท่านั้นพระนิพพานอนพระสุคต ท, ทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นก็ทำลายเปลือกไข่เคือวิชาแล้วบรรลุพระหักในเวลาจบประกาศาจนเดินแต่นั้นลูกไก่เหล่านั้นแต่ยังคามาเขตเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆก็เป็นพระกีรติศเป็นปูชนียบุคคล เป็นนาหุนโยปาหุนโยธักกินโยอันชริกานโยนุตรังุญเจเกตงกังโลกัสสะเหมือนธรรมะเหล่านี้อุปมาเหล่านี้จะเห็นว่าคือใช้ลูกไก่ที่เป็นลูกประทัมให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูนี้ทั้งหมดก็อยู่ที่จิตเราในขณะที่ความรู้เห็น ตามความจริงในแนววิปัสนาเขาเกิดเนี่ยตัณหมามัณหติถิก็ลดมีปรลาศก็ลดนะเพราะว่ามันอยู่คนละด้านที่เราเข้าใจสิ่งไม่สวยงามวาสวยงามไม่เที่ยงว่าเที่ยงเนี่ยเพราะเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงพอรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะมายึดมั่นถือมั่นเพราะในแง่ายของความเป็นจริงแล้วเนี่ยอะไรที่เราเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นเอาไว้เนี่ยจริงนั้นจะไม่มีโทษไม่มีเลยในโลกเนี่ย เพียงแต่ว่ามีโทษมากหรือมีโทษน้อยเท่านั้นเองตอนนั้นบางครั้งเราจึงพบพระพุทธดำรัสที่รับสั่งว่าทำทั้งโบไม่ควรยึดมันหรือมันนี่คือสอนพระโมคคัลลานะในปีแรกเลยนะฮะพระเจ้าทรงมาสรุปในพระโมคคัลลานะเข้าใจว่าทำทั้งโูไม่ควรยึดมันหรือมันท่านถามทางนิพพานนะฮะท่านถามทางไปสู่นิพพานตอนนั้นได้เป็นประสุรบัณฑ์ แล้วก็พระเจ้าก็ทรงแสดงไปโดยลำดับถึงสรุปเพราะพระปัญญาุคีนเนี่ ย, รยเราเห็นว่าท่านถ่ายถอนความยึดมั่นหรือมั่นในขันห้าได้ท่านก็บรรลุมรคลเป็นพระหรันแต่ในช่วงแรกตอนปฐมเทศนาเนี่ยมันก็แค่บรรเทาคือไปถ่ายถอนอุปท า, านยังไม่ได้ก็ได้เพียงระดับของพระโสดาบัน ย่อตัวครสูตรจึงถือว่าเป็นหลักการสาคัญนะเราจะเห็นว่าธรรมะทั้งสิบห้าข้อเนี่ยมีความสาคัญนะถ้าเราก็ททำให้สมบูรณ์ในในในในห้าข้อหลังเอ่อข้อเครื่องผูกพันใจก็จะถูกทําลายความเครียดแคร่งสงสัยทั้งหลายก็จะถูกทําลายน้อาที่สุดก็เข้าสู่กระแสพระนิพพานด้วยโสดาปฏิมาคโสดาปฏิปุณเล่าฟังตั้ลาย เสียงทําจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมอยู่มีแด่ท่านผู้ฟังหลายโดยทั่วกันสวัสดี